ทานข้าวโดยที่ไม่รู้จักท่านก็คือคุณหมอพรอชิตหาัจากนั้นก็ตลอดคุณไปท่านที่สรโมกเราก็ได้มโอกาสที่จะพัดจับหูไปที่วัดถ้มแสงเทียนก็ได้หลวงพ่อมหาดิเลกเป็นพระวิปัสนาจารย์ท่านก็ฝึกเข้มจากไม่รู้อะไรเลยก็รู้จักคำว่าสติสามประชัญญะ ก็หมายถึงเวลาเราจะเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวเช่นเราหลังจากฝึกแล้วกลับจากวัดถ้ำแสงเทียนไปที่ทํางานก็ขอโท่ษนะเวลาจะไปปัสสาวะจะลุกจากโต๊ะเมื่อก่อนลุกจากโต๊ะปุ๊บไปเข้าห้องน้ำกลับมาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยแต่หลังจากที่หลวงพ่อได้ฝึกให้ก็มีการที่จะ รู้สึกว่าจะไปเข้้องน้ําก็รู้สึกตัวว่าเรากล้าไปแล้วนะก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ฝึกมากับหลวงพ่อก็เป็นแฟนคลับของหลวงพ่อมาตลอดก็ส่วนใหญ่ถามว่าไปฝึกที่ไหนบ้างก็เป็นฝึกของสายหลวงพ่อเทียนจะได้รับรู้จักหลวงพ่อทุกๆแห่งเช่นไปเขาชะเมา ว, วิมุตต์ท่านก็ให้ไปอยู่กับไทท้ายสวนก็ได้ไปเจอช้างก็ เป็นเกตเล็กเกตเกน้อยก็ไว้ถ้ามีโอกาส ก, าก็จะล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับก็บกราบหลวงพ่อครับครับกราบน้ำรสการครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับผมวัชรินทร์นะครับชื่อเล่นก็คือวัดก็ได้ครับก็คงคุณหน้าคุณตาเพราะว่าวิ่งเข้าวิ่งออกของปฏิบัติ นะครับก็ได้มาฝึกสายของหลวงพอ่อหลวงพ่อเทียนก็จากการมาเทีย่ยวที่สวนโมกะครับก่อนหน้าที่จะปฏิบัติสายหลวงพ่อเตียนก็ไปลองอยู่หลายสายทั้งยุบหนอทั้งพุทโธนะฮะแล้วก็อาณาดําเริ่มแต่พอมาเจอสายของหลวงพ่อเตียนก็รู้สึกตอนแรกว่าแปลกลก็ไม่เคยเห็นคือ นั่งก็ไม่ให้หลับตานั่งก็ไม่ให้นิ่งก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็ฝึกตั้งแต่นั้นมาก็โชคดีที่ได้เจอพระาอาจารย์มหาดิเลกแล้วก็รู้สึกว่าพอมาฝึกกับท่านแล้วท่านกม็มีแนวอะไรที่ทําให้เราไม่เคยรู้มาก่อนได้รู้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆ ก, กันนะครับแล้วก็ถ้าได้รู้จักกันมากขึ้นก็คงได้แลกเปลี่ยน ผู้ปัดพูดคุยกันนะครับการนับศึ ก, บ ก, การครั บ, ก, บ ก, การนับศกาาพระคุณเจ้าแนละ้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนครับผมชื่อมานพครับก็ปฏิบัติก็แต่ก่อนก็ไม่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะเพิ่งเพิ่งมาเริ่มประมาณอายุ30สิบเนี่ยครับก็เลยครั้งแรกที่ปฏิบัติ จริงจังก็คือมาเข้าคอร์สที่ที่สุกโตครับสายหลวงพอ่อเทียนนะก็เลยรู้มันมันเกิดสภาวะทมแบบบางอย่างที่ประทับใจก็เลยก็เลยพยายามที่จะค้นหาต่อไปก็คือหลังจากนั้นก็ไปปฏิบัติที่วัดป่าสมานัทประมาณเจดครั้งครับแล้วก็สี่ปีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยก้าวหน้าอะไรแต่ก็ ก็ยังไม่ไม่ลกความพยายามก็ยังทำไปเรื่อยๆอยู่ครับก็ก็กามามาม า, มาปฏิบัติกับข้อสั้นๆกับพรทิพย์ก็เสาร์อาทิตย์ยังงครับที่ที่สวนโมงแล้วก็มาเจอหลวงพ่อมหานิเลกครับก็เลยอยากมาลองลองดูลองเปลี่ยนประสบการณ์ดูบ้างครับผมก็มีท่านนี้ครับ ครับนลัสาการหลวงพ่อและขรูาอาจารย์ทุกรูปครับสวัสดีญาติธรรม ท, ทุกท่านครับผมชื่อกันกวีครับชื่อเล่นชื่อกันครับก็ปฏิบัติของสายหลวงพ่อเทียนมาได้7คอร์สละครับก็เริ่มจาก4คอร์ส4คอร์สแรกนี้ก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดสงนั้นครับแล้วก็อีก3คอร์สได้มาเจอกับหลวงพ่อนะครับ ผมก็มีทางนี้แล้วครับครับการนำ้ำตกการหลวงพ่อแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับผมก็ได้ไปฝึกครั้งแรกที่วัดแคร่แสงเทียนนะตอนนั้นท่านอาจารย์กระสินเป็ น, ปนผู้ฝึกนะก็ได้ก็ยอมรับมีความรู้เบื้องต้นแค่เรื่องการเคลื่อนไหวได้มือแล้วก็การเดินจงกรมครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่มาที่นี่ครับ ที่ได้มาปฏิวัติครับประมาณสองปีครับสองปีที่แล้วครับรอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์นนครับ นักมัสการของข้อแล้วข้อใจธรรมทุกท่านสวัสดีครับก็ชื่อองค์อาจครับหานตวีสมพลก็พอดีรู้จักคอสนี้มาจากโรงเรียนรุ่รรงอรุณ น, นะครับก็ที่ผ่านมาไม่ยังไม่เคยปฏิบัติแต่ว่ามีไปกับลูกๆตามวัดเพราะว่าที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนแนวพุทธก็จะมีไปส่วนใหญ่ก็ไปวัดยาน ก็มีเคยไปเหมือนกับฝึกมีพะ้าจารย์สอนปฏิบัติสมถะกรรมฐานใต้โบสถ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีฝึกกับหลวงพี่เอกวุฒิกับผ้าจา์คันชิตที่โรงเรียนบ้างแต่ว่าเป็นยังไม่เคยเป็นคอร์สยาวๆก็ส่วนใหญ่ฝึกเคลื่อนไหวเนี่ยครับแล้วก็ลูกๆสอนบ้างอะไรครับสอนสุดน น, นก็อันนี้เป็นครั้งแรกครับ ใช่ <PTSD> ครับ ย, ยังไม่เคยครับครับ <itu> กับน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อพัชรลพไลค่ะชื่อพัดเล็กสั้นๆพัดก็ได้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติแนวของสายหลวงพ่อเทียนก็ปฏิบัติที่ยัวพุทธ แต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ถูกกับเจริญของตัวเองนะคะแล้วก็พอดีมาที่สวนโมกแล้วก็มีผู้ที่ให้ข้อคิดว่า เ, เราจะปฏิบัติอะไรก็ควรจะยึดแนวทางใดทางหนึ่งซะอย่าสเปะสะป่นะคะแล้วก็อเผอิญไดเ้เห็นแนวทางนี้แล้วก็ไปที่เริ่มต้นจากที่วัดสนามในแล้วก็มาที่บ้านอาลีแล้วก็มาจบลงที่สวนโมกเนี่ยค่ะก็มาทุกเดือนต้งก็ประมาณ6ครั้ง ก็เห็นว่าแนวทางนี้ก็ก็ทำให้ตัวเองสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นก็คิดว่าอยากจะพัฒนาแนวทางนี้ฝึกต่อไปค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเข้าคอร์สช่วงหลายวันติดกันค่ะก็ทเา้ยังไม่ไม่ได้เหลายวันค่ะก็สา อ, อาทิตย์ค่ะทุกเดือน6เดือน นมัส ก, การหลวงพ่อแล้วก็ย า, ยากธรรมค่ะทั้งหลายชื่อยุภาพันธ์ค่ ะ, ะเพิ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียนรู้ธรร ม, มะปีนี้เป็นปีแรกะคะ่ะเพราะว่าเกษียณแล้วก็ใจร้อนนะคะก็อยา ก, ยากลดลงอยากสงบอยากใจเย็น น้องเขาชวนมาส่วนโม่ก็เลยมาก็ได้า3ามครั้งแล้วก็ตามอาลองปฏิบัติแล้วตามดูออฟังฟังที่ที่หลวงพ่อสอนทั้งหมด3คอสองอื่นๆด้วยคิดตามไปแล้วก็ใจสงบลงอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะไปได้เพราะว่า อตั้งใจจะให้ให้ตัวเองสงบลดใจร้อนลงค่ะแล้วเพิ่งเข้าปฏิบัติทรโมมันี่แหละค่ะนักประการหลวงพ่อระยะติธรรมนะคะชื่อนพวรรณค่ะรู้จักคอร์สนี้เพราะว่าเออเมื่อสองปีที่แล้วเรียนคอร์สคู่มือมนุษย์นะคะแล้วก็อาจารย์ที่สอนก็แนะนำน้องคนหนึ่งบอกว่าให้ลองมาปฏิบัติเข้าคอร์สเออของ ที่อาจารย์พันธิปจัดก็เลยลองเข้ามาดูก็ mm. ก, ก, ก็รู้สึกว่ า, น, า, น, า, น, าน่าจะ น, าน่าจะถูกจริญกับเรามาตั้งแต่รูออ้สึกจะครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดเฉพาะสาวธอาทิตย์นั้นนะฮะแต่ว่าไม่เคยอบรมคอร์สยาวแล้วก็ชวนพี่เข้ามาด้วยแค่นี้ค่ะเรามาต่อข้ออหน้าคน้ง า, า, ารืมัสการค่ะทุกท่าน แล้วก็ปดีทุกคนคะ่ะที่มาปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อเทียนครั้งแรกไปที่วัดสนามในค่ะก็นานแล้วคะ่ะหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็ก็ปฏิบัติเองมาเรื่อยๆแล้วก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อที่วัดท่ามแสงเทียนนะคะเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ก็ไม่ค่อยไม่ได้เข้าคอร์สอีกเลยนะคะเพิ่งคอร์สนี้คอร์สที่สองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะทำทำมาเรื่อยๆจะช้าหน่อยแต่ก็ทำอยู่ตลอดแต่ค่สามสิบีที่าเข <c oughs> ้าใหม่เน <c oughs> ี่ยค่ะแต่ไม่ได้ทิ้งค่ะปฏิบัติมาตลอดช่วยได้เยอะค่ะช่วยดูรู้ว่าตัวเองดีขึ้นแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งค่ะหลวงพ่อ กรับใัพ ก, การหลงพ่อค่ะแล้วก็สวัสดียาติธรรมค่ะชื่อหนึ่งรัตไทค่ะก็เอาก็มาปฏิบัติที่สวนโมกแล้วก็ได้พบกับหลวงพ่อแล้วก็เลยเห็นว่าถ้ า, าจากที่หลวงพ่ออธิบายแล้วสอนเนี่ยก็เห็นว่าถ้าปฏิบัติตอนเนื่องนะคะถูกวิธีวิธีนี้ก็ไม่ยากเกินไปก็มาปฏิบัติตลอดที่สวนโมกแล้วก็มีไปปฏิบัติที่บ้านอารี แล้วก็เพิ่งมาเข้าคอร์สยาวเนี่ยค่ะยังไม่เสร็จก็คอยไปอีกใช่ค่ะครั้งแรกค่ะ <c oughs> น้ำ <c oughs> สักการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านเออชื่อจารุณีนามสกุลมณีปุระนะคะชื่อเล่นชื่อแอ น, นะคะ่ะ อยากจะบอกว่าในในชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่ไม่เคยอยู่ในสมองเลยนะฮะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยทาจิตใจให้ของแผ้วก็น่าจะเพียงพอเมื่อเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เข้าไปวัดมาก็คิดว่ามันก็น่าจะไม่ต่างกัน ความคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะหลังจากที่กเกษียณจากธนาคารกรุงเทพก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆไปประเทศภูตานประเทศเวียดนามมีโอกาสได้เจอกับกัลยาณมิตรชื่อจิว๋วทำงานอยู่บนิธิปิดทองหลังพระนะฮะชวนให้มาเที่ยวกับคุณหมอบัญชา เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมะบุญจาริศก็ได้ไปด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงโอกาสที่ไปก็มีโอกาสได้ไปทำวัดเชา้าวัดเย็นก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ดีก็ก็ติดใจกลับมาแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับอีเมลจากหอจดหมายเหตุแจ้งว่าพระอาจารย์คำเขียนมรณภาพถ้าถ้าสนใจจะมางานศพ ก็ให้แจ้งความจำหนงเพื่อจะได้จองที่รถไม่ให้เวลานั้นไม่เคยรู้จักพระอาจารย์คำเขียนเลยไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแล้วก็บังเอิญวันที่จะเดินทางก็ตรงกับวันที่มีมิ팅กับเพื่อนที่กลับมาจากอเมริกาก็รักความสนุกเลือกที่จะเลือกมิ팅มากกว่าที่จะไปงานศพแล้วก็โดยที่ไม่ได้รู้จักพระอาจารย์คำเขียนด้วยนะช่วงที่รอก่อน จะออกไปพบเพื่อนก็มีโอกาสดูไทย P ีบีเอสถ่ายทอดงานศพของพระอาจารย์คำเขียนนะก็ได้เล่าประวัติพระอาจารย์คำเขียนว่าท่านเจ็บป่วยและมรณภาพอย่างไรพอได้ฟังวิธีการมรณภาพของพระอาจารย์คำเขียนมีความรู้สึกว่ามันเกิดแสงสว่างในใจแล้วก็เกิดดีใจเหมือนกับได้สิ่ง ประสรมีความรู้สึกอย่างนั้นนะมีความรู้สึกว่าอ ม, มันมหัศจรรย์มากเลยว่าพระอาจารย์มรณภาพด้วยความรู้สึกตัวจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเสร็จแล้วก็มานั่งพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ริงโลดขนาดนั้นเมื่อเห็นวิธีการดังกล่าวก็มาพบว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์จากความจำ ได้ในทุกขเวทนาของญาติพี่น้องซึ่งออป่วยหลายๆคนเจ็ดปดคนที่ที่ดิฉันได้ดูแลพยาบาลอยู่ก็มีทุกขเวทนาที่ต่างกันความรู้สึกจำได้แต่ละคนแต่ละคนมันทำให้เกิดความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นพอเห็นวิธีการโอยละภาพของพระอาจารย์คำเขียนไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากก็ เปิดอินเทอร์เน็ตดูก็พบว่ามียูทูบของพระอาจารย์คำเขียนเยอะแยะไปหมดเลยโดยที่เราไม่เคยรู้จักพระอาจารย์คำเขียนมาก่อนก็ก็คิดว่าเรานนี้เป็นบัวใต้น้ำไม่เคยคนโง่ที่สุดน่าจะเป็นเราเองที่ไม่เคยได้ได้พบพระพุทธศาสนาไม่เคยได้ไปรู้จักไบฟ้าอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เช็คข้อมูลต่างๆก็พบว่าคุณหมอพรทิพย์มีคอร์สที่ ขอจดหมายเหตุก็เลยเข้ามาสอบถามแล้วเข้ามาปฏิบัติด้วยตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นมานะก็ปฏิบัติมาได้ประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีแล้วนะฮะก็คิดว่าถ้าเผื่อปฏิบัติทางนี้แล้วก็ในระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมีมีข้อขัดแย้งไม่ได้มีความลังเลสงสัยเป็นอย่างอื่น แล้วก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีการที่เรารับได้เหมาะกับตัวเราเองก็เลือกปฏิบัติมาก็คิดว่าถ้าเมื่อเราเลือกทั้งนี้แล้วก็ควรจะต้องมาเก็บอารมณ์ด้วยเพื่อให้ได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมาครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามานี้เป้าหมายเป้าหมายที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยก็คิดว่าเราจะต้องฝึกไปเรื่อยเพื่อที่จะนาไปใช้ใน ในเวลาสุดท้ายของชีวิตที่เราจะตายอย่างรู้สึกตัวค่ะขอบคุณค่ะราบน้ำมนำมาสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดียานิธรรมทุกท่านค่ะก็ชื่อเปิ้ลค่ะเเป็นหมอฟันก็คือหนูก็มาปฏิบัติสายนี้ประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็ เป็นของหลวงพ่อจันันก็คือนั่งดูยุบยุคหนอก็มันจะรู้สึกว่ามันมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าพอเราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมมันมันมันอารมณ์มันไม่แก้ไม่ได้เลยแล้วก็เลยมีโชคดีที่มีกัลยาณมิตร ท, ที่เขาช่วยหลายครั้งแล้วให้มาปฏิบัติแบบสร้างจังหวะแต่เราก็ปฏิเสธตอนนั้นเพราะมองว่าแบบดูผิดปกติมากเลย <c oughs> แต่คราวนี้คือ พอมันมีปัญหาปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะลากความคิดไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเราแบบหลังชนฝาละคือไม่มีทางอื่นละวันนี้เพื่อนก็บอกว่ า, วาเนี่ยทางนี้จะทำให้จัดการความคิดได้มากขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปอยู่ขอนแก่นค่ะก็เลยไปไปวัดโมกก็เจอพระอาจารย์เนกก็ไปถามท่านเลยว่าวิธีการเนี้ยจะช่วยทำให้ความคิดมันหายไปได้จริงๆเหรอ ถามท้าทายมากเลยพระจายเนี่ยก็แนะนำให้ให้ทำนิ้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าระหว่างทำมือแบบเนี้ยคุณคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ได้รู้สึกแบบเออจริงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำมาตลอดแต่ว่าอ่อหนูเป็นคนแบบยังติดสนุกอยู่อะค่ะก็เลยไม่ได้ทำคือเข้าคอร์สอยู่ช่วงสองสมปีแรกแล้วก็ไป คือเข้าคอร์สยาแต่ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าคือไปช่วยงานเนี่ยไปสม่าเสมอแต่ว่าไม่ได้เข้าคอร์สนานแต่ว่าต่อหลังประมาณเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสคืออยากจะพัฒนาตัวเองเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราไม่ก้าวหน้าด้วยเพราะเราไม่ได้นี่แล้วก็ก็เลยมีคนบอกว่าเออน่าจะลองไปสมพนัทดูก็เลยได้ไปสมพนัทก็เลยไปอยู่กับพระอาจารย์สุริยานี่ยหมายถึงว่าไปเข้าคอร์สยารประมาณสามสี่ครั้ง นะคะก็ก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างติดว่าเรารู้สึกว่ามันมันเครียดเหมือนกับว่าค่อนข้างแบบจริงจังมากเลยท่านี้ก็เลยแต่ก็โอเคค่ะอยู่ได้อยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนชวนบอกว่าอยากให้ไปแพ่ยแสงเทียนดูก็เลยลองไปแพทแสงเทียนดูก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่า ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราขอนคลายแล้วก็วางได้เยอะมากค่ะรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเพื่อวางอย่างเดียวแล้วก็เลยหนูก็เลยได้แนวทางจากแพทย์แสงเทียนไปแพทย์ถงเทียนมาก็ประมาณสองครั้งหลังจากนั้นก็เลยมาใช้ในคพือพยายามแบบพยายามจะไม่ไม่ติดไม่ติดคอสไม่ติดคูบา จ, จอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาใช้กับชีวิตประจาวันเรื่อยๆเรื่อยๆครั้นี้ก็ เลยไม่ได้ไปประมาณสักปีกว่ากวือบสองปีค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองว่ามันช่วงหลังๆมันนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มเหมือนกับสติไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ละก็เลยมันรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราน่าจะลองเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนดีท็อกจิตตัวเองค่ะได้มาต่อเนื่องไม่ใช่ว่าพออยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยมันก็ทําได้แต่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆทาอย่างเดียวต่อเนื่องก็เลยอยากจะมาแล้วก็เอ่อ ฟังเทศของพระอาจารย์มหาดีเหลห์มาตลอด <c oughs> ก็เลยอยากจะมีโอกาสที่จะมาปฏิบัติกับท่านด้วยค่ะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้สักงสมเดือนเนี่ยไปอันนี้ขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงคือว่าหนูไปฝึกโยคะแล้วก็หนูรู้สึกชอบมากเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ทั้งลมหายใจแล้วเราก็เหมือนกับมันเหมือนกับน่าจะแมทกับทางปฏิบัติทางนี้ด้วยแล้วก็เลยได้ข่าวว่าท่านก็โยคะ สอนโยคะเหมือนกับว่าก็เลยอยากจะมาดูด้วยว่าแบบว่าทำยังไงจะบวกเข้ากันได้ดีอย่างนี้ค่ะก็ที่มาคราวนี้ก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะพูดไม่เก่งการมรดการหลวงพ่อค่ะและพระอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนเพื่อนกันเลนเรียนนวมิต ท่านนะคะชื่อแดงค่ะอุบลวดีค่ะเคยอยู่การบินไทยค่ะตอนนี้กเกษียณแล้วระหว่างทํางานในไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยค่ะแลหวังว่าสักครั้งจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกัญยาณมิตรคุณกู้เนี่ยค่ะแนะนําว่าให้มาวัดแพร่แสงเทียนก็เริ่มต้นที่วัดแพร่แสงเทียนค่ะไปทั้งหมดเจ็ดครั้งจนในที่สุดก็อยาก ทราบที่มาของหลวงปู่เทียนก็ได้ไปที่วัดทับมิ่งขวัญค่ะอยู่ไปพบพระอาจารย์คำไม่ตอนอยู่วัดพระแสงเทียนก็ได้พระอาจารย์หลวงพ่อเกษรค่ะและคุณแม่พิกุลนผู้ฝึกค่ะแล้วก็ทราบว่าตัวเองเได้พบถึงที่สุดของชีวิตและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาได้พบหลวงปู่เทียน แล้วเกิดความภาคภูมิใจมีความมั่นใจอาถานแล้วว่าชีวิตนี้ก็ที่สุดของชีวิตนะฮะแล้วก็ได้พบหลวงพ่อมหาดีเลกแล้วก็ได้อ่านหนังสือของท่านเขมมานันทะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแค่นี้ ครับ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะแล้วก็สวัสดีญาติที่ทำทุกคนค่ะดิฉันชื่อกู้สมปองค่ะคือดั้งเดิมนะคะดิฉันปฏิบัติมา แ, แต่แบบตั้งแต่ตอนทำงานหานิดนิดหน่อยหน่อยคือปีหนึ่งก็จะไปสักครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพอไม่ได้ทำงานแล้วเพื่อนคนไทยที่อยู่อเมริกาที่อยู่ชิคาโกหาเขาโทรมาหาเป็นเพื่อนกันเขาโทรมาบอกว่าไปปฏิบัติที่นี่ไหม เป็นปฏิบัติแเออแนวสตินะคะฝึกสติไอ้เราก็แบบเอ๊จะไปดีไม่ไปดีเพราะมันเป็นคนละสายกันที่เราเคยปฏิบัตินะคะุณเนี่ยคะคุณพิษค่ะค่ะพิ ษ, พษ ท, ท, ที่อยู่ชิคาโก่ค่ะก็ก็ลองมาดูแต่ตอนที่จะไปครั้งแรกก็แบบลังเลนะคะว่าเอ๊จะไปดีไม่ดีเพราะมันเป็นคนละสายกันพอไปครั้งแรกก็ไป ค, คือพอมาปฏิบัติสายของพ่อเทียนเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้จักความรู้สึกตัวเพราะปฏิบัติที่อื่นมาคือทั้งนู้นก็อาจจะสอนนะนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่เก็ทเลยะคะ่ะแล้วมันเป็นการปฏิบัติที่ทรมานนะคะสายอื่นนะนะคะคือปฏิบัติสายยุบหน่อพองหนอมาเรามีความรู้สึกว่าเดินก็ต้องแบบยกหน่อย่ยางหน่อเหยียบหน่อหนึ่งจังหวะสองจังหวะ3าจังหวะสี่จังหวะห้าจังหวะหกจังหวะมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากะคะ่ะแล้วมันไม่ธรรมชาติ แล้วก็นั่งนี่นะคะคือเขาจะให้นั่งแบบทีละครึ่งชั่วโมงเลยพอนั่งครึ่งชั่วโมงได้สักสามสีว่วันเนี่ยเอาชั่วโมงหนึ่งเลยโอ้โหเราก็นั่งไม่ได้นะคะมันเป็นความเจ็บปวดทรมานแบบอย่างมากที่สุดเลยะคะ่ะเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ก็ฝืนนะคะฝืนจนผ่านไปทุกครั้งนะคะจนกทั่งมาเจอการการปฏิบัติแบบทําจังหวะมือรู้สึกตัวเคลื่อนไหวของสายคอเทียนแล้วชอบ<ม>ค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติมันเป็นแบบธรรมชาติไปหมด อย่างเราเจ็บเราปวดใช่ไหมคะเรารู้สึกตัวเราก็ขยับตัวได้การเดินก็เดินแบบธรรมชาตินะคะคือก้าวเดินแบบปกติธรรมดาพอมาปฏิบัติแล้วก็ชอบแล้วก็ทางวัดแร่แสงเจียงก็จำ้ำยี่จ้ำชัย่คะคะเรื่องของการรู้สึกตัวคะจนกระทั่งเราก็รู้สึกตัวขึ้นมานะคะจา ก, จากนในรูปแบบเนี่ยเราจะรู้สึกตัวได้อย่างดีจงกระทั่งนอกรูปแบบก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ะ, ะแล้วก็ก็ได้มารู้ได้มารู้จัก สวนโมกเพราะว่าวัดแพร่แสงเทียนปิดแต่ก็ชอบนะคะชอบสจนแล้วก็ขอบคุณสตารที่ทํางานของทางวัดทางสวนโมกทุกท่านเลยค่ะน่ารักทุกคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิล l i n g ที่จะให้เรามาแล้วก็บริการเต็มที่ค่ะก็พอมาปฏิบัติแนวนี้ทางสายของเทียนก็ชอบชอบก็ปฏิบัติจนท่านถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเกือบสามปีแล้วค่ะขอบคุณค่ะ กลน้ำส ก, การหลวงพ่อนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อประพาดานะคะชื่อเล่นมุก ค, ค่ะก็ปฏิบัติแนวแนวอื่นมาก่อนนะคะหลายแนวเลยแต่ว่ามันที่เคยปฏิบัตินี่มันจะเป็นแนวหลักตาทั้งหมดซึ่งเวลาเราปฏิบัตินี่วิธีการเราคงไม่ถูกนะคะแล้วก็มันก็ไม่ถูกจริตกับเราด้วยเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ย มันจะไปติดติดพอหลับตาแล้วจะไปติดฟุง้งติดเพ่งอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เร า, าปวดหัวซึ่งมันทำให้เร า, าเวลาเราหลับตานี่เราก็จะไม่อยากปฏิบัติเลยนะคะเพราะเรากลัวกลัวเมื่อมันจะเจอไอ้สภาพการปวดหัวนี่ค่ะก็เลยทิ้งการปฏิบัติไปหลายปีเลยคือไม่ไปปฏิบัติทมอีกเลยนะคะ แล้วแนวหลวงพอ่อเทียนนี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเออเป็นแนวที่ต้องที่ปฏิบัติแล้วลืมตานะคะแตนี้พอดีพี่สาวเนี่ยที่เขาอยู่อเมริกานะคะเขาปฏิบัติกับหลวงพอ่อหลวงพ่อมหาดีเร็กนะคะปฏิบัติตั้งหลายคอร์สซึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะแก็แปลกใจมากเลยว่าธรรมดานี้เขาอยู่อเมริกาตั้งนานแล้ว เขาก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่ว่าไปเข้าค้อนหลวงพ่อตั้งหลายครั้งซึ่งมันก็ต้องมีอะไรที่ดีๆที่เขาเ อ, อประทับใจนะคะแล้วก็เห็นเห็นข้อดีเขาก็เลยปฏิบัติเขาก็ชวนนะคะเขาก็ก็เลยมองหาไว้ที่ไหนมีอะไรเงี้ยก็เห็นบ้านอาลีมีก็ก็เลยลองลองไปปฏิบัติแล้วก็เออเห็นว่ามัน มันลืมตานะมันมันเราไม่ต้องไปหลับตาไม่ต้องไปเพ่งให้เราปวดหัวนะคะแล้วพอไปอปฏิบัติเข้าคอร์สของหลวงพ่อแข้งแรกเลยเนี่ยก็ที่วัดถ้ำแสงเทียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติแล้วรู้สึกมันเห็นความพัฒนาการของกายและใจในแต่ละวันนะคะมันมีความเบามันมีมันมีมนม สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกจริตแล้วก็ปฏิบัติแล้วเราเราเห็นเห็นเห็นทางที่พบแสงสว่างที่แน่นอนนะคะแล้วในการปฏิบัติแนวทางนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าประทับใจในตัวของพระอาจารย์ ที่สอนเราทุกรูปเลยค่ะซึ่ เ, เห็นบ้านในสายนี้เนี่ยท่านเาคารพรักและก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีแล้วก็ทําความดีให้มากขึ้นแต่ว่าไอ้การเข้าคอยปฏิบัตนินีไม่ค่อยได้เข้าคอกเท่าไหร่ มันก็มีเงื่อนไขอะไรหรืออย่างนะฮะซึ่งไปต่างจังหวัดอะไรนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปค่ะเข้าคอสของหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไ ป, ไไไปต่างจังหวัดที่ไหนอีกนะคะก็มีบ้างนิดนิดหน่อยที่ที่จัดแถวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามปฏิบัติเองที่บ้านแต่ว่ามันก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เข้าคอสนี่ความต่อเนื่องมันไม่ค่อยมีเราเราจะเห็น ความแตกต่างระหว่างการความต่อเนื่องในการปฏิบัติระหว่างการเข้าคอร์สกับกับไม่ได้เข้าคอร์สนะคะซึ่งความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันจะต่างกันแล้วแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่ทิ้งเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าเราไปทางโลกมากๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใจมันหนักนะคะใจมันหนักแล้วก็ความทุกข์มันเข้ามาแล้วเราวางไม่ค่อยได้ เราจะเหมือนกับเร า, เ อ, าอุเบกขาไม่เป็นนะคะระวังใจไม่เป็นแล้วก็ซึ่งเราก็เห็นว่าไอาการการปบิธรรมนี้มันช่วยให้เราหลุดพ้นจริงๆจากความทุกข์นะคะก็เท่านี้ค่ะที่เมีก า, า, าชื่ออไรเชื่อออมพรนะคะค่ะ ใช่ค่ะอยู่ l ออค่ะอยู่กลุ่มคุณหมอใช่ค่ะกลุ่มคุณหมอหลไรท่านเลยค่ะสวัสดีพระอาจารย์ทุกท่านนะคะแด่หลวงพ่อด้วยค่ะความทั้งญาติที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะครั้งแรกที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะเกิดจากการว่าจ้างของสามีค่ะ ท่านจ้างไปที่วัดป่าสมมนัตให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมเราก็เลยตามไปแล้วเกิดภาวะธรรมเกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติมาแล้วก็ติดใจตอนนี้เป็นฝ่ายที่ชวนเข้ามาค่ะค่ะก็แค่นี้ค่ะไม่จางไม่จ้างสามิไมจ้างปให้ันติไปฏิบัติธรรมค่ะ ชื่อเสริมสุขวราชิตนะคะก็รู้จักของสายหลวงพ่อเทียนตั้งสมัยสมัยทํางานคือหลวงพ่อทองอะท่านไปไ ป, ไปเทศแล้วก็ทําท่าให้ดูแล้วก็ดูก็ตลกตลกดีเหมือนกันแต่สิบกว่าปีันแล้วน ะ, ะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่อไปแต่ไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็จนกระทั่งมาอ่านหนังสือของหลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าอ่าคุณจะบททุกข์ภายในสามเดือน เจ็ดวันอะไรของท่านนะคะบอกโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้แค่ทํามือแค่สิบสี่จังหวะแล้วทําไมถึงจะบะรรลุอะไรแต่อะไรเยอะก็ ก, ก็ก็เลยสนใจต่อเมือ่อเมื่อหลังกเกษียณแล้วนะคะเพราะอันนี้เขาเรียกกิเลสอ่ะนะคะอยากอยากจะบรรลุอยากจะนิพพานตนะั้งแต่สมัยเมื่อสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ตอนหลังก็ได้มีกัละยาณมิตรเ้าเคยไปทํางานอยู่ที่เป็นเขาเป็นอะไระ เป็นช่างก่อสร้างที่วัดสนามในก็เลยมาคุยกันแล้วก็พาไปพบ แ, แล้วก็เราก็เฉยๆอีกอะนะฮะจนกระทั่งมีอ่านหนังสือเจอวัดบ้านอารีก็เลยไปที่บ้านอารีเพราะว่ามันใกล้บ้านก็สะดวกในการไปต่อเพราะว่าที่บ้านครอบครัวเขาก็ ก็ว่าสายอื่นทั้งนั้นนะะ่ะนะคะเราก็ไปกับเขาเราก็ไปสายอื่นกับเขาก็ไปตั้งแต่สัมมาระหังพุทธโธอะไรต่ออะไรก็ทําไปเรื่อยๆก็โอเคก็ไดไ้ไประยะหนึ่งนะคะแต่ว่าพอมาที่บ้านอารีก็ติดใจติดใจพระอาจารย์นะเ้าทุกทุออบอกว่าพระอาจารย์ทุกรูปพระอาจารย์สายนี้นะขยันขันแข็งแล้วก็กวนขันแล้วก็เอาใจใส่คือจะเท่าที่มองดูก็ไม่เคยเห็นสายอื่น ท, ที่กดขันขนาดนี้จี้เลยนะคะ กี่ก็ตกใจตอนนั้นาเอายมหลับอีกแล้วตัส่วนตัวเองก็เป็นคนหลับง่ายถ้านั่งสมาธิปั๊บจะหลับทันทีเลยพอเจอสายนี้ก็โอเคก็ก็ดีนะฮะหลับจากนั้นก็ไปที่บ้านอารีแล้วก็ได้ราบข่าวที่คุณหมอพอทิพย์ที่สวนโมกก็มาติดก็มาติดต่ากำปรมานสักสองปีสามปีแล้วก็แต่ว่าไปเข้าคอร์ส ของพระอาจารย์คันชิตห้าวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยเพราะว่าต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบไปอ่ะเราก็เพราะเงินอยู่ในกรุงเทพก็เลยสะดวกดีก็ถามว่าได้อะไรไหมก็อนุโมทนาทุกท่านนะคะที่ที่ได้อะไรแต่อะไรนี่ก็รู้สึกว่าเกียงไม่ค่อยได้อะไรเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ก็ก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าอาจจะเรายังไม่ถึง จุดที่ว่าหรือยังไงไปทราบนะคะแต่ว่าเขาถาว่าดีไหมก็ตอบว่าดีขึ้นแต่ว่าพอได้ได้อะไรก็อันนี้ก็อิจฉานิดนิดนะฮะว่าเขาได้อะไรกันก็ต่อไปก็อยากจะเรียนอาจจะเรียนจากการระยานมีดด้วยเขาได้อะไรกันบ้างนะคะก็ช่วยช่วยแชร์หน่อยว่าได้อะไรนะฮะบางทีก็ได้แต่นิ่งๆเฉยเฉยก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้นิ่งๆก็แค่นั้นเอง แต่ว่าส่วนที่จะได้อะไรลึกๆยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันก็ปรึกษาคุณหมอพันธิพก็อิจฉาเหมือนกันนะะอหมอพัทิพคนนั้นก็ได้คันอย่างนี้คนนี้ ไ, ได้อย่างนั้นก็ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะว่าได้อะไรนะก <c oughs> ็ขอบคุณค่ะกระาบตํารวจการของพ่อและญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อล่นชิดจียสมศิริค่ะ ไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนนะคะหลังจากเกษียณได้สองสามเดือนก็ทราบว่ า, ากู้เขาไปปฏิบัติธรรม ท, ที่วัดแพร่แสงเทียนค่ะแนวหลวงพ่อเทียนก็เลยขอตามเข้าไปค่ะก็ไปปฏิบัติที่วัดแพร่แสงเทียนประมาณสี่หรือห้าครั้งครั้งสุดท้ายไปวัดทัเมิ่งขวัญค่ะ ทุกเดือนก็จะมาที่ส่วนโมกนะก็พยายามที่จะปฏิบัติทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะคะแต่บางครั้งก็ใจมันก็ฟุ้งจ้านออกไป ะ, ะแต่ก็พยายามทำอยู่แล้วก็มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือธรรมะนะคะแล้วก็บังคืนก็เปิด YouTube ฟังภาคฌานแล้วก็หลับไปเลยค่ะ ช่วงหลังก็ที่มาส่วนโมคหาดได้ได้พาลูกสาวมาด้วยเราก็ชอบค่ะก็ก็มีมีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาปฏิบัติแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราได้นําความรู้สึกตัวเนี่ยค่ะไปใช้ในชีวิตของเราจริงๆเพราะว่าช่วงหลังที่เราเกษียณเราก็มีเวลาว่างเยอะใช่ไหมคะ บางครั้งเราก็คิดไปเรียอเปื่อยอะ่ะเราก็เอาความรู้สึกตัวเนี่ยมาทำให้เราหยุดคลิดได้บางครั้งนะะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ่ะแล้วก็จะพยายามเพิ่มความเพียรของตัวเองให้มากขึ้นค่ะ น้ำมันสกัดของพ่อค่ะชื่อจริยานะคะอเข้ามาก่อนหน้าคุณเจรันและคุณวัดสักหลายหลายเดือนเล่ย <c oughs> มาเที่ยวสวนโมกเหมือนกันค่ะมาเที่ยวแล้วบังเอิญเจอก็ได้มาปฏิบัติเ อ, อที่สวนโมกเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เข้าคอสกับหลวงพ่อครั้งแรกก็ได้วัดถ ร, รมเช่นกันค่ะแล้วก็เข้าคอสกับหลวงพ่อทุกปี ปีละครั้งมั่งสองครั้งมั่งแต่บางเอญปีนี้เยอะหน่อยปีนี้สามครั้งก็เลยก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแหะค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะจบรวมพ่อค่ะแล้วก็สวัสดียาติธรรมทุกท่านอารมณเน่จงประสิทธิผล สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปีส8แต่เป็นการเริ่มต้นของสายพองยุคก็เข้าครอสทุกปีปีละหนึ่งครั้งแต่เข้าครอสพองยุคไม่ได้ไม่กี่ปีก็หันมาปฏิบัติรูปนามรู้จักหลวงพ่อคำเขียนประมาณปีสีะะ่สองค่ะ ทองสายหลวงพ่อเทียนนี่ขอรุเนทจะเป็นการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนอยู่นางเหนือแล้วก็อาจารย์คันชิดแล้วก็อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มแต่การขับปฏิบัติของสายหลวงพ่อเทียนแบบระยะต่อเ น, นื่องก็มีปฏิบัติกับหลวงพ่อจราที่วัดอากาลิโกแล้วก็วัดป่าจิษโต๋ แต่ทิ้งช่วงนะคะไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องติดติดกันเหมือนเหมือนที่ปฏิบัติสายล <het. S 2> ูปนาก็ที่อธิยาบ้างคร <c oughs> ั้งสุดท้ายมีไปปฏิบัติที่วัดทัพนิ่งขวานของอาจารย์คำใหม่คร <c oughs> ั้งนี้ได้มีโอกาสมาก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นการมาแบบกระทันหานนะคะกรน้ำมิตรคุณสมปองพี่กู้เป็นคนจอมให้และก็ได้รู้จักอาจารย์รู้สึกดีใจมาก อาจารย์สอนละเอียดนะคะให้สังเกตให้ดูแล้วก็ชี้แน่รู้สึกดีใจที่ได้เข้าปฏิบัติแล้วก็ทุกวันนี้แม้จะปฏิบัติหลายหลายอย่างแต่ก็รู้ว่าการปฏิบัติด้วยการสร้างจังหวะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ง่ายสั้นแล้วก็ลักแล้วก็จะพักหลังนี้จะมันเน้นมาเรื่องของการสร้างจังหวะมากกว่าการปฏิบัติอย่างอางื่น ขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอพรชิพด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พร ะ, พระสงฆ์ทุกโลกนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนที่ทาเชื่อการจนาเผือกผุดนะคะตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญอยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยไปส่วนโ o ก ค, คือครั้งแรกที่ปฏิบัติธรรมสายนี้เนี่ยคือที่ทำงานจัด ที่ทํางานจะมีการจัดทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยนะคะสักเมื่อสามสี่ปีที่แล้วก็ตามเข้าไปที่วัดป่าสุประตูแล้วก็ก็ไปเฉพาะทําปฏิบัติเฉพาะที่เขาเขาพาไปนะคะตอนหลังก็มีเพื่อนเขาชวนมาที่สวนโมกก็น่าจะไล่ไ่กับหลังคุณจรรย์นี่แหละกับที่จริยาแล้วก็คุณวัณวชรินก็ ก็แต่ว่าคอสที่ว่าไปยาวเนี่ยไปด้วยตัวเองเนี่ยก็เริ่มจากคุณหมอพันธิจัดก็ไปกับพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปกับพระอาจารย์อื่นเลยนอกจากพระอาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะก็กจัดพิธีการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกครข้งทุกท่านนะคะ ชื่อต้านะคะนภัสก็มาปฏิบัติท้งแรกก็มาเดินเล่นที่สวนโบกเหมือนกันนะคะแล้วก็จับพัดจับผูเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติเข้าคอร์สครั้งแรกก็กลับหลวงพ่อนี่แหละคะ่ะที่วัดท้ำแสงเทียนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปที่แพร่แสงเทียนสองครั้งนะคะแล้วก็มีปลายปีที่แล้วที่ไป สมพนัค่ะก็ก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้เอาไปใช้มันก็เลยฟูฟูแฟบแฟบก็จะพยายามทําความเพียรให้มากขึ้ น, นะคะ่ะกราบธรรมสการ์ของพ่อมหาจิเล็กแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านฮะและ้วก็ญาติธรรมทุกท่านค่ะ การที่ได้มาปฏิบัติธรรมสายหลวงข้อเทียนอาจจะเป็นธรรมจัดสรรมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นไม่ไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วก็เมืม่อเจปีที่แล้วคือคือตอนนี้ทํางานอยู่สำนัก ง, งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็คือกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์แล้วงานก็จะค่อนข้างไปทางด้านเนื้อหากฎหมายตรวจสอบกำกับแล้วก็ทํางานที่ตลาดอาเรทกราตต์เนี่ย มามาหลายปีเหมือนกันแล้วก็เมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าความรู้ตัวเองทางด้านทางโลกค่ะทางด้านกฎหมายเนี่ยถ้าจะทํางานอยู่กรต่ออีกยี่สิบปีจนเกษยียณเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันจะไม่พอก็ขอลาเจ้านายไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็คือขอลาโดยไม่รับเงินเดือนเพราะนั้นมันมีนความรู้สึกที่เรียกว่าทยานอยากคือเป็นความรู้สึกทางโลก พอกลับมาแล้วแค่แค่กลับมาได้ไม่ถึงปีอะค่ะต่อมาก็จัดสั่นก็คือพี่ที่ทำงานชวนไปงานกระถินที่วัดสนามในก็ไปตามเขาไม่ได้คิดอะไรก็ไปแล้วก็ไปไปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆนัก3ามวันสองวันจนเมื่อปีห้าห้าห้าห้าค่ะก็ตามเพื่อนไปที่วัดแพร่แสงเทียนก็ไปทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็คือ คือตัวเองปล่อยวางโดยที่คือก่อนนั้นนี้ก็จะทยานอยากอยากจะมีประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันมันปล่อยวางมันไม่อยากมันพอมันไม่อยากอะไรเลยก็มีความรู้สึกว่าเป็นการตั้งจิตตั้งแต่ตอนนั้นค่ะว่านับจากนั้นจนตลอดชีวิตเนี่ยก็คืออยากจะปฏิบัติธรรมแล้วก็คือจะใช้ชีวิตที่เหลือในการปฏิบททัติธรรมแล้วก็แล้วก็คิดว่าชีวิตที่เหลือมันมันน้อย เต็มที่แล้วเรามาเรียนรู้วิชาพระพุทธเจ้าก็ก็ไม่นานก็ไม่แ น, น่นนใจว่าจะเรียนได้อีกนานแค่ไหนชีวิตอันนี้จังทุกขันอเนตาก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้แค่ไหนก็พยายามเต็มที่ก็ไปที่วัดแพร่แสงเทียนทุกปีค่ะก็คือเท่าที่เวลามีจํากัดก็จะไปทุกปีที่ไปก็ก็เต็มที่ก็คือ10วัน11วันแล้วก็เข้าคอร์สแบบ ปิดปราจาป้าพิกุลประ า, ารย์เกษินก็ก็เข้มงวดแล้วก็มีโอกาสได้เจอหลวงพ่อมหาดิเลกที่วัดสนามในเมื่อปีห้าเจ็ดครั้งแรกก็ไปกราบท่านที่ที่กุฏิก็ไปโดยบังเอิญเหมือนกันคือพิจ้าที่ ท, ที่ที่วัดสนามในเขาบอกว่าเนี่ยพระมหาดิเลกท่านมานะคือวนันที่ไปคือจะไปไปถวายปัจจัยที่ที่วัดแล้วก็ไปบังเอิญนะแล้วก็พี่เขาบอกว่าเนี่ยไปกราบท่านสิ คยได้ยินชื่อพระมหาเด็กก็คือเพื่อนนะคะบอกว่าเป็นหลวงพ่อเป็นว่าจาร์ของป้าพิกุลของหลวงพ่อกระสินก็ไปกราบท่านแล้วก็พอกราบท่านเสร็จพอปลายปีห้าเจ็ดที่ที่วัดแพรเส็งเทียนก็ท่านก็ว่าจาร์ก็ไปที่วัดแพร่้ก็ได้ได้กราบท่านตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็ที่ไปเรียนวิชามากมายก็ตั้งใจว่าอีกสองปีก็จะเออรี่ก็คือ คือไม่ถึงการเสียแต่ว่าตั้งใจจะออกจากงานเพราะว่าคิดว่าพอแล้วแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลือยังคือปฏิบัติธรรมตอนนี้สิ่งที่ทีเ่เรียกว่ า, เ, าเตรียมตัวสําหรับตัวเองก็คือไปปลูก บ, บ้านที่ต่างจังหวัดที่ที่อที่วังน้ําเขียวอะค่ะตอนนั้นที่ไปซื้อที่วังน้ําเขียวเนี่ยคือคือเพื่อนที่ทํางานเขาเขาอยากขายบ้านตัวเองก็ไม่ได้อยากจะซื้อที่แต่ว่า ม, มันมีแรงมันมีคําว่าวังน้ําเขียวอะค่ะจากที่วัดสนามนายที่หลวงพ่อทองบอกว่ามีการไปเปิดวัดป่านาน า, นาชาติอยู่ที่นั่นก็เลยได้ตอนที่ไปดูที่ไปซื้อบ้านเขาเนี่ยค่ะก็ขอไปดูที่ที่วัดป่า น, านานาชาติก่อนว่าที่หลกที่หลวงพ่อทองไปไปทําสถานที่ปฏิบัติธรรมไว้เนี่ยมันอยู่ไกลไหมคืออย่างน้อยถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้อยู่ใกล้ มีสถานที่สัปปายะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอไปเห็นก็อ๋อก็ไม่ไกลจากบ้านที่เราจะซื้อก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านที่วังน้ําเขียวแล้วก็ตอนนี้ก็ทําสถานที่เพื่อเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมหลังจากที่จะเออรี่ก็คือก็คืออยู่ก็คือขอความรู้ขอคําแนะนําจากครูบาอาจารย์แต่ว่าอที่เหลือเราก็ควจะปฏิบัติเองนะคะที่บ้านค่ะตั้งใจไว้อย่างนั้นใช่เจ้าค่ะใช่สวนสติมาค่ะ มรสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะชื่อสุริเกตค่ะชื่อเล่นชื่อหน่อยออปฏิบัติสายหลวงพเพราะที่ฉันก็เริ่มนานมาแล้วเพื่อนพาเพื่อนพาไปสุกโตแต่ว่าไปปฏิบัติกันเองอะนะฮะไม่ได้เข้าคอร์สแล้วก็ห่างไปพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเริ่มจริงๆที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็สักสามปีอะค่ะโดยที่มาที่ของเลมอนฟาร์มมาค่ะ เป็นเดือนละครั้งแล้วก็มีโอกาสเขาไปที่วัสนามในสุดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสักสามสี่ครั้งนะะแล้วก็ของของของของทางอาจารย์พันทิปนี่ก็ามาได้สักเกือบสองปีอะคะ่ะแต่ว่าไม่เคยเข้าคอร์สที่ที่เป็นการเข้าคอร์สจริงๆอะค่ะของขอ ง, ของทางวัตตาจุกตวัวค่ะที่ที่แจ้งวัฒนะค่ะ าา ก, การทำพิธีรหลวงพ่อแล้วก็พระคุณเจ้าทุกท่าแล้วก็สวัสดิยานุธรรมทุกท่านค่ะชูวิวรรนะค ะ, ะชื่อแดกชื่อวันค่ะก็ปฏิบัติธรรมเก็มาหลายสายเหมือนกันน ะ, นะค่ะทั้งธรรมกายก็เคยอานาปานาสติสายหนอนะคะแล้วก็ก็มาพบหลวงพ่อเทียนเมื่อพบสายหลวงพ่อเทียนเมื่อสีปีแล้วนะคะตอน งานครบรอบลอดบีก็เข้าคอสเทียวยาวมาหลายนเหมือนกันด้ค่ะที่สุขโตสมนัทวัดถม้มก็เคยหลายครั้งตอนนี้ก็ยัง<ม>ยังบนเวียนอยู่กับสายสายหลวงพ่อเทียนแล้วก็อาจจะไปทางสายวิปัสนาหน่นๆที่วุวพุทธจะบ้างบางทีก็ไปของหลวงพ่ออำนาจอุาัโสพระอาจารย์นวลจันทร์ก็ยังไป ก็ยังพยายามที่จะอยู่ในสายวิปัสสนาแต่ ก, ก็ยังเน้นสายหลงพ่อเทียนเป็นหลัก ก็ทุกคนคงรู้จักนะคะก็เพราะว่าพยายามให้เขามาไม่ได้นะคะก็จริงๆชีวิตเองตัวเองก็ถือว่าอะไรคะคือคือตอนนี้ก็เขียนสือจะเขียนสี่เล่มนะคะว่าจะจบยังไงนะคะหมายถึงว่าเขียนชีวิตจบก็เลยคิดว่าเออตอนนี้นะหมายถึงว่าอยากจะเขียนสือเรื่องนี้นะคะว่าตั้งแต่ตัวเองทํามาเนี่ยเป็นยังไง ือว่าจริงๆคอสเนี่ยข้อที่เรามาทําให้นะคะก็ก็เป็นธรรมชาติสันไม่ได้ตั้งใจจะทําเลยนะคะแล้วก็ไปเห็นด้วยเลยว่าจะทําเพราะว่าวันครึ่งจะไปได้อะไรเพราะปกติเนี่ยจะไปวัดสมพนัดใช่ไหมคะไม่ก็ไปกับหลวงพ่อบางทีตัวสิบวันสิบห้าวันยังเห็นได้เลยเลยทำวันครึ่งจะไปได้อะไรนะตอนแรกนะครับคิดว่าจะไม่ทนะํานำแต่มันธรรมชาติสันถูกบังคับไปทำคือมันมั น, ม, นมันมาเองเลยต้องทํา พอทำไปตอนเนี้ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะได้อะไรนะเพราะเออหลวงพ่อก็ช่วยด้วยนะจริงๆแล้วหลวงพ่อพยายามช่วยนะก็เลยคิดว่าเออข้อที่มันได้ก็เลยเสียได้นะคะว่าถ้าเกิดข้อที่มันจบไปที่ตอนเนี้นะคะถ้าข้อตรงนี้มันจบไปก็ยิ่งส่วนโมไข์ก็อยากเข้าไปใช้นะคะเพราะว่ามันมันอะไรใกล้คมนาคมทุกอย่างเลยดีก็ อ, อยากจะรักษาไว้ให้สายจริงๆด้วยทํงงงงางานให้สายวัวเทียนอยากให้ตรงนี้เป็นที่เึ่งว่า ยังีหลวงพเทียนอยู่นะคะว่าใครที่ไปสนามไหนก็จะรู้ว่ามันก็เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่ามูลนที่มันก็จะเปลี่ยนไปทว่กรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่นะถ้าก็อยากจะรักษาตรงนี้เอาไว้นะคะก็ก็บอกหลวงพ่อว่าคอสนี่ที่จัดเนี่ยนะคะจะหาญาติธรรมมาทํางานต่อก็บอกหลวงพ่อนะคะอยากจะให้ญาติธรรมเข้ามาช่วยกันทนะะําแต่จริงตัวเองก็งมีปัญหาสุขภาพนะคะก็เลยคือใจมันอยู่ได้น ะ, ะแต่กายมัน มันจะทัดทัขันไม่ดีนะก็เลยอยากจะให้มาครั้งนี้ให้ทุกคนอะไรฮะพยายามนิด ม, มีความเพียรหน่อยนะเพื่อจะได้รับงานมาไปได้นะแลว็พอเราะที่เอยากให้งานนี้ต่อไปได้เพราะเป็นงานสองสายที่เพียน ที่เป็นข้อพิเศษจริงๆมีคือกําลังเล็งอยู่ว่าหลายคนที่เกษียณได้กําลังเกษียณจากราชการเอามากําลังจะรับสมัครขา้า พ, พุทธการขา่าพุทธการมาเยี่ยมข้าราชการค่าพุทธการค่าธรรมการค่าสังกการก็มาทํางานให้พระเจ้าคือปีต่อไปเนี่ยหมอที่ ขาจะหมายเหตุจะต้องมีภาคภาษาองังกฤษด้วยทาไมเห็นแววหลายคนที่มาจากอเมริกาเนี่ยเป็นทั้งโยมจากอเมริกาด้วยเนี่ยเป็นพยาบาลหรือเปล่าที่อเกาโยมเชื่โยมเนาะโยมพิษมันมีเพื่อนเพื่อนมาจากอเมริกาที่ไม่ใช่เป็นพยาบาแลแต่เขามาที่มาจากอเมริกามีกี่คนที่หมายความว่าเคยไปอยู่ที่นู่นมาก่อนนะไม่เคยเนี่ย คือที่มีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วด้านนี้อยากจะให้ใช้ภาษากิษ ด, ด้วยต่อไปนะสลับเดินกันเดือนนี้ภาษาคือคนไทยจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ต่อไปชาวต่างประเทศรู้เรื่องให้เป็นสากลขึ้นคือในรุ่นนี้อามาว่าเป็นรุ่นที่เราเขาเรียกว่าตกผลึกมาจากส่วนโมดนะแล้วก็เสียเวลาเสียอย่างคือเวลามันน้อยไป ผมพิงข้อนี้อยากจะกให้สักสิบวันเก็บอารมณ์เข้มเพราะแต่ละคนที่ได้ผ่านมาเรียกว่าหลายข้อด้วยกันเพราะนั้นฝากไว้ก่อนห้าวันตรงนี้ห้าวันไปต่อที่อสมมาตาอีกสห้าวันดีไหมให้เราได้สิบวันอสมมาตา น, นี้ที่หมอมากเลยนะที่ปักธงชัยในนะี้ก็ตามก็มีคนใหม่ที่เราจะต้องอดูแลให้เข้าใจที่มาได้ ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้ฟังจากครูบอาจารย์ต่างๆแล้วคอยเก็บในส่วนที่มันขาดหายไปหนึ่งความใกล้ชิดความกันเองสองรายละเอียดต่างๆสก็คือการไม่เอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง4ก็คือระเบียบ อ, อะไรจัดมากเกินไปยุ่งหยิบเสี้เลาอยากให้มีเวลาที่ทําเยอะๆรือที่ระเ้ียบางอย่างที่มันไม่ ขัดข้องในการทำเนี่ยเพราะว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยมาคิดว่าเพียงพอแล้วบางคนโยมเนี่ยโยมเสริมสุขใช่ที่ดูใน YouTube เออไม่ใช่โยมที่ที่ฟังหลวงของพ่อขงเขียนนะประดดูหลวงพ่อขเขียนโยมโยมคนไหนที่ดูหลวงพ่อขงเขียนโยมใช่มเอยใช่ขอโทษโยมที่ฟังจาก YouTube อย่างหลวงพ่อขงเขียนแล้วก็ ได้กริยามิตรตรงนั้นจากสื่อใช่ไหมสามารถเกิดศรัทธาตรงนั้นได้เนี่ยลักษณะอีกเนี่ยมาว่าคือเรามีข้อมูลจากสื่อต่างๆนี่มามากพอแล้วมีอย่างเดียวคือเราต้องการนํามาวิสุทธการกระทำจะยมสมสุขตั้งข้อสังเกตที่ดีมากขอบใจว่าพระในสายงานวัฒน์เทียนเป็นพระที่เอาใจใส่เรื่องนี้ทุกองค์เนะหมือนจริงไหมคือเราเราไม่เคยเจอในพระสายอื่นที่ทําอย่างนั้นนะ ถ้าใช้อื่นเจะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็เก็บนื้อเก็บตัวพอสมควรระวังเนื้อรวะวังตัวแต่พระหลเทียนลุยไปเลยอย่างงี้นะคือแล้วก็ทั้งใจเพราะอะไรเพราะเราได้ทํามาอย่างนั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เข้มในสายเนี่ยเข้มกับเราเราก็ถ้าเข้มแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่กันไม่ค่อยได้ที่เหลือนี่หมายความว่าจัดๆแล้วว่างั้นถูกเข้มมาจนจนกระทั่งว่าได้ที่แล้วนั่นในวิธีการหลวง่อเทียนที่พระ ทำงานแต่น้อยแต่ทำงานได้เยอะพอแล้วเพราะสู้ความเข้มของครูบาอาจารย์ไม่ไหวนะเพราะว่าท่านไม่ได้ถามอารมณ์เรารู้นะท่านใส่จริงๆเลยอะ่ะเอาของจริงมาเล่นกันเลยรับได้ก็รับรับไม่ไก็ไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมาฝึกพระมาเป็นสิบองค์ยี่บองค์ยี่สิบทงานอย่างนี้เพราเข้มเหลือจริงๆก็ไม่ถึงสิบองค์นะนั่นก็โดนหนังๆเพราะถ้าอยู่ได้เลยนะเขาเข้มแข็งตลอดเลยนะ วอาไปพิสูจน์ที่อเมริกาก็รอดยากห้าองค์ก็เรียกว่ า, าสนิมขึ้นหมดเลยนะดังนั้นพระของหลพ่อเทียนเนี่ยเอามาอย่างที่ว่าก็คือคือเอาธาตุแท้มาว่ากันไม่ใช่มามาสร้างขึ้นใหม่นะธาตุแท้ข้างในเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นญาติโยมก็เหมือนกันโยมที่ผ่านมาในวิธีการหวพ่อเทียนก็เข้มข้นเหมือนกันแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้และเอามาก็าคือโพ่อเทียน มีความออกมากันมาจากความรู้สึกแท้ๆ แ, แล้วก็เรื่องความแต่ก็ทุกคนก็จะมีกิเลสมีมายาสาไทยไม่ทิ่ฐิมโนนาะ ม, มาุกคนแต่เมื่อบางกันกันกันในส่วนที่มันเนื้อแท้ๆมันก็มีเหลืออยู่ในส่วนที่มันไม่ใช่ก็ก็กระจายออกไปเหมือนกันหลอมทองเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้แต่ละคนเนี่ยให้ตั้งใจศึกษาเรื่องนี้แต่ว่ากานสําคัญก็คือ ตัวพอใจในส่วนที่ได้แล้วเนี่ยเอามาว่ามันทําให้เราหยุดอยู่ไม่เจริญก้าวหน้าคือพอโยมนี่คืออยู่ในระดับได้หนึ่งพออยู่ได้ก็ก็เอาแค่นั้นอะ่ะทีนี้ถ้ามันไม่ถึงที่นะมันถอยเพราะฉะนั้นต้องขนขหวยทําไปดังนั้นขาดส่วนคือการรวมกลุ่มของญาติโยมที่ทํางานในส่วนนี้มันจะเป็นการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาไปทํางานร่วมกันเนจะมีการกระทบกระแทกมีการอะไจะได้ขัดเกา่า คนที่เข้มแข็งก็พัฒนาไปเรื่อยๆคนที่อ่อนแอก็ก็จะไม่เรียกว่าอะไรไม่อ่อนแอเกินไปก็ได้ประคับประคองกันฉะนั้นในช่วงสี่ห้าวันนะตั้งแต่สิบหกคนถึงยี่สิบเนี่ยมาว่าเราลองเข้มข้นนิดหนึ่งเพราะด่างคนก็ต่างมีประสบการณ์มาแล้วในประมาณ1ิบกว่าคนนี่นะแต่สำหรับผู้ใหม่ทูเหมือนมีประมาณเท่าไหร่6หรือ7จคนเนาะผู้ใหม่ที่จะยังไม่เคยเข้าค้อนเลยเนะี่ย ก็จะทําทอีกอระดับหนึ่งนะดังนั้นผู้ที่เคยเข้าคอร์สปฏิบัตินี่ผมพอขอเช็คพื้นฐานมาก่อนว่ามาจากแพร่แสงเทียนบ้างมาจากโศมนัสบ้างมาจากจาจันทรชีดบ้างาวัดสนามในบ้างหลวงป่าสุกตัวบ้างเนี่ยมาปรับฐานให้ใกล้เคียงกันนิดหนึงก็คือถูกต้องระดับที่ว่ารายละเอียดเสริมรายละเอียดอีกนิดนึงรายละเอียดในการสังเกตเช่นเราไม่เค่อยเน้นว่า ทำอย่างไรที่มันเพลินทำอย่างไรที่มันค่อนข้างจะเพลินไปทางสุขเพลินไปทางทุกข์แล้จะมาปรับเป็นกลางได้อย่างไรในตัวนี้เราต้องการปรับปรับเป็นตัวเป็นกลางไอ้คำ ว, ว่ากลางคือการตื่นรู้โดยตลอดเนี่ยจะทำอย่างไรเรามาเสริมรายละเอียดกันตรงนี้เพราะที่แล้วมานี่เท่าที่สังเกตเนี่ยไอ้ความเพลินนี่ อ, กออกกันไม่ค่อยได้สักการสังเกตสร้งางจังหวะเนี่ยพอตอนแรกๆจะได้จังหวะดีพอนานๆไปก็จะ ไหลลื่นเลยใช่ไหมก็เริ่มเริ่ม เ, มเป็นแล้วก็จะมาปรับจุดนี้จะทํางานให้มันเสมอต้นเส ม, มอปลายนะครับแล้ว ก, การเดินเมื่อกันการเดินใหม่ๆก็จะเดินได้จังหวะดีเพรานเข้าเนินเข้ากระชับจะไหวแล้วก็เปินอาการเปิดก็จะออกมาแลแล้วก็มาปรับตรงนี้ออกนิดนึ่งก็จะไปได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าข้อที่เป็นข้อพิเศษแล้วก็ดูแววหลายคนที่จ ะ, ะสามารถที่เป็น แกนนำแะกันเจริญสติได้คุณหมอมีหวังอยู่ที่จได้ทีมงานเช่วยงานเนะพราะที่สนมกมีเราจําเป็นต้องสื่อสารเพราะเดี๋ยวนี้ดูดแล้วงานที่สนมงานคุณหมอกลายเป็นงานหลักนะามาว่าเนะพราะคนหลายคนเขาเข า, เาทําสร้างคนอนะ่ะพอได้ที่แล้วก็ส่งเข้ามาที่คุณหมออย่างคอร์ดอต่างๆคอร์ดนี้เขาทาเนะี่ยพอพอได้ที่แล้วก็ได้ข้อมูลแลส่งเข้ามาตรงนี้ก็มาฝึกปฏิบัติ หลายคนที่ผ่านมาจากทางนั้นทางนั้นก็อยากจะรักษาตรงนี้เอาไว้เพราะชุมชนกรุงเทพเป็นชุมชนที่ใหญ่ถ้าหากไม่มีจุดนี้อยู่เลยเนี่ยก็จะไม่มีทางออกอย่างที่หมอว่าทางวัฒนธรรมในก็เป็นอีกแบบหนึ่งทางมูลนิธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งทางปรนา <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนยแต่สวนโมน่าจะเป็น่วนกลางที่เอาพระคบาอาจารย์ในสายงานเนียมาหลกหลที่แล้วก็มา แบ่งปันกันที่ตรงนี้เป็นสารที่แบ่งปันประสบการณ์ทั้งที่คุณข้างนอกที่ต่างจังหวัดและข้างในสามารถพบปะแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นนั้นก็ในวันนี้เราได้ใช้เวลามาก็สมควรคือเวลาในการที่ราจะเป็พักผ่อนตอนเช้าคนไหนตื่นตีสี่ได้ก็มาที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเริ่ม